อันนี้วัดเราก็มีมีพระบวชใหม่ทั้งหลายรูปและไม่ชี้ใหม่ซึ่งบางท่านเข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องให้พระรุ่นพี่หรือคนเก่าชี้แนะซึ่งถ้าเราพูดไม่ตรงประเด็นคนฟังก็ไม่เกิดประโยชน์วันนี้นมาก็ตั้งใจจะพูดให้ตรงประเด็นเลยคือว่าจะพูดเรื่องที่ส่วนมนตเมืเ่อกี้บทสวดต่นนางๆเรื่องบัญราชิีพิจารณาเรื่องสิบอย่างอย่างาพระใหม่ที่บวชเข้ามาเนี่ยเราก็มีเพศต่างจากกระหัสถ์แล้วตอนนี้ เรานุ่งทงชัยของพระอรหรันต์นุงพระกาสาวัทเราก็ต้องเราเปลี่ยนแปลงภพภูมิแล้วมีคนกราบมาไหว้เราเปลี่ยนการเรียกบางทีก็เรียกเป็นหลวงพี่หลวงพ่ออาจารย์ซึ่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยจากเคยหัวเราะพูดคุยกันเออก็เลิกอย่างนิสัยคารวาะเราก็ต้องสํารวมเรียบร้อยให้สมกับที่ผู้คนกราบไหว้ แล้วก็เริ่มเข้ามารักษาศีลพระธรรมวินยัยเข้าหมู่เข้าคณนะซึ่งก็ต้องทําตามกันทําตามพระรุ่นพี่หรือผู้บวชก่อนผู้ใหม่เพิ่งบวชถือว่าเป็นนวกะต้องเรียนรู้พระนากา ก, ก็ภาษาหนึ่งจะถึงห้าราษามะชิมะภาษาห้าถึงถึงเก้าสิบภาษาขึ้นไปเป็นเถระเราต้องเรียนเรียนตามลําดับชั้นห้าภาษาแรกนี่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไปเที่ยววัดอื่น อาจจะต้องตำหนิได้ไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวต้องข อ, อนิสัยเพราะเรายังถือสายครูบาอาจารย์อยู่ต้องมีพี่เลี้ยงพาไปบนมาดับแ ร, บแรกจะต้องหัดหอมจีบอลซึ่งต้องใช้เวลาประมาณสองสามวันกว่าจะหอมคล่องก็ต้องตั้งใจห่มหน่อยจะได้ใช้งานได้หอมจีวอลคล่องแล้วก็ต้องหัดสวดมนต์ที่ต้องใช้ประจําวันแล้วก็ขนขวายหาความรู้แล้วก็ว่าก็ต้องเจอระสะติ ซึ่งมีอีกเยอะเดี๋ยวขาค่อยชี้แนะไปแล้วข้อที่สองเราต้องทาตัวให้เขาเลี้ยงง่ายตอนนี้เราเป็นพระเราต้องบิดบาบัดเลี้ยงชีพเราจะไปหาซื้อกินเองก็ไม่ได้แล้วใสายคนอื่นทําให้ญาติโยมมาถวายอาหารให้เราไม่ชีทําอาหารให้บางครั้งอาจจะถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างเราก็ต้องทานตามมีตามได้บางวันอาจจะฉันมื้อเดียวบางวันก็อาจจะฉันสองมือ้อแล้วนิสัยพระ นิสย 4, ยัยสี่ระดับแรกเลยต้องเที่ยววินทะบาทเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ติดธุระทางานทําการทํางานแล้วก็ต้องวินทะบาททุกวันคือถ้าไม่วินทะบาทไม่มีเหตุผลมันควรก็ต้องโดนปรับอาบัตนะคือฉันอย่างมากก็วันเดียวอีกวันนึงถ้าไม่บินก็บัตปรับอาบัตแล้ะถือว่าละเมิดละเมิดวินยัยครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะมีข้อยกเว้นคือแก่เท่า อยงหลวงพ่ออมเขียนหลงตากรมเนี่ยอาจจะถ้าเป็นผู้เท่าบินไม่ไหวก็จะยกเว้นผ่อนผันแต่บางท่านยังแข็งแรงอยู่แต่ไม่บิณอบาตินี่ก็เราอย่าทําตามเพราะว่านิสัยพาผู้ดิจ่ายบินอบาติตลอดชีวิตจนถึงเวลาสุดท้ายไปโปรดญาติโยมให้รู้ธรรมมากมายการบินอบาติไม่ใช่ขอทานสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าออไปโปรดประยุรญาติที่เมืองก บ, บิ่ตะพัด พระ อ, องค์ก็อิ น, นาบาตในเมืองพระเจ้าสุดโทนนะซื้อพระบิดาพอทราบข่าวเข้าก็รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกว่าเสียรักดศรีเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์แล้วพุทธเจ้าก็เป็นลูกกษัตริย์พระ อ, องค์ก็มาหาเลยบอกว่าถ้าเป็นลูกต้องทำอย่างนี้คือทำไมแม่มารับอาหารจากจากพ่อซึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยทำตามบวงของพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เคยมีมา ดูเจ้าจลต้อบิดาบาัดเลี้ยงชีพทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายแล้วเป็นเป็นปนิสัยพระเวลาบอกดุสานเนี่ยบิดาบัดนี่คือข้อแรกเลยถ้าอาจารย์องค์ไหนหรือพระองค์ไหนบิดาบัดเนี่ยจะโดนเพื่อนตำหนิโดนประนามหรือแม้กระโดนแบบสังคมสงส์เนี่ยดูถูกถือเป็นเรื่องที่กิจวัทรแค่นี้คุยังทำไม่ได้ข้ออ้างข้ออ้าง อ, างอื่นอ่อนมากหลวงตามหาบัวก็บิดาบาัด จ, จนเกือบจนท่านบินไม่ไหวอ่ะ หลว ง, งปู่ดังๆแทบทุกรูปอ่ะจนถึงบาราสุดท้ายอยู่เว็นป่วยจริงจริงถ้าถึงไม่บินอันนี้เราต้องทําตามนะครับดีสัยพระแล้วข้อที่สามอาการอาการกายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้บางทีเราบวชเข้าบานเนี่ยไล่จบจบปริญาตีปริญาโทรหรือมีความรู้สูงสูงแต่เราเข้ามาศึกษาในพระธรรมวินัยเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นเราจะต้องไม่ทําตัวเป็นน้าชาล้นถ้วย จะต้องเปิดกว้างเพื่อเรียนรู้เพราะคว า, า ม, ม, มรู้ทางโลกเนี่ยไปใช้ก็ธรรมะไม่ได้เลยคือดับทุกข์ไม่ได้ความรู้ทางโลกเนี่ยเป็นความรู้ที่เอาเข้าเป็นความรู้แต่ความรู้กันทาอาหากินไม่ใช่ความรู้ดับทุกข์บางคนเกิดมาทั้งชาติเนี่ยไม่เคยความคิดเลยแม้แต่วบเดีย ว, ยวไม่รู้จักว่าความคิดเป็นยังไงที่ น, นี้ใช้ไม่ได้ละบางทีด็อกเตอร์ก็ตกไปท่าของความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านทั้งวันแ ต, แต่แต่ทางธรรมะเนี่ยสอนให้ มีความรู้มีความรู้ด้านในมีความรู้เรื่องจิตเรื่องที่ทางโลกเรียนไม่ถึงเพราะบางทีตานาะต้องใช้ตาในถึงมองเห็นความคิดเนี่ยตานอกมองไม่เห็นอะ่ะบองคนเกิดมาไม่เคยเห็นความคิดเลยไม่รู้จักด้วยจำอย่างหนังสือมาพูดก็ไม่เนียนไม่สนิทใจนั้นพาน้องๆที่บวชเข้ามาเนี่ยก็อยากคิดว่าตัวเองเก่งเราต้องเรียนรู้อยู่มากเลยความรู้ทางโลกกองไว้กองไว้หน้าประตูวัดเราต้องเรียนเยอะต้องฝึกฝนฝึกฝนตนเอง อย่างน้อยก็ให้เห็นความคิดได้ถ้าแวบหนึ่งอย่างดีจะได้ไม่เสียชาติเกิดถ้าเห็นความคิดได้แวบหนึ่งเนี่ยเราก็จะเชื่อในบุญในบาปในกรรมในเวรรัปดาไม่เชื่อหรอกพวกนี้เราจะหาความเชื่อจากหนังสือไม่ได้เราจเชื่อโอกจากตะนักในจิตตัวเองว่า ก, กรรมมีจริงบาปมีจริงแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราทําไว้เนี่ยจะให้ผลกับเราตลอดเวลาสร้างเหตุในวันนี้ก็เป็นปัจจัยในวันหน้า เป็นนิสัยแล้วหนักๆเข้าก็เป็นสันดานสันดานนี่ไม่ใช่เป็นคำกลางๆนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องสันดานดีก็ได้แต่ถ้าเราสันดานไม่ดีแล้วก็ย้ำเข้าไปก็กลายเป็นคนสันดานไม่ดีไปทําบ่อยๆจ น, นพฤติกรรมอะ่ะก็มาจากความคิดเราสร้างเหตุแต่ว่ามันเลยถ้าเราฝึกจิตเนี่ยเห็นความคิดเราก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราได้เปลี่ยนภพภูมิได้ข้อที่สี่ตัวของเราเองติดเตียนตัวเราด้วยสีได้หรือไม่ข้อนี้ก็สําคัญ ถ้าเราเป็นคนที่ยังไงมีฮีโอต ป, ปะแล้วก็มีตัวตนไม่เยอะเนี่ยเราจะยอมยอมรับว่าเราทำอะไรผิดยอมรับกับลูกผู้ชายว่าผมผิดไปแล้วครับเราังไม่หาทางเข้าข้างกิเลสเราทำอะไรผิดแล้วก็รยอแรับตรงๆแต่ถ้าคนกิเลสหนาเนี่ยจะหาข้ออ้างไปเรื่อยชักแม่น้ําง้ามาบอกผมผิดอะไรคือผมไม่รู้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดโยนความผิดให้คนอื่น คือคือเห็นกิเลสตัวเองยากคือหนามากแต่เราไม่หนาเนี่ยจะรู้แล้วเราทำผิดเราจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีหรือเก่งขึ้นได้พัฒนาตัวเองได้และข้อที่ห้าเนี่ยผู้รู้ใครคุณลติเตียนเราโดยสีลได้หรือไม่ผู้รู้ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเพื่อนกัลยาณมิตรหรือ ครูบาอาจารย์หรือพระที่มีปรรษามากกว่เราที่เขาบองเห็นบางทีเราอจะมองไม่เห็นว่าเราทำผิดนีด่ก็เห็นว่าเราเนี่ยทํางนี้ผิดนะเราต้องเจอเราต้องเวลาเขาตําหนิเราก็ต้องไม่โกรดน้อมรับคำตําหนิซึ่งถ้าเราน้อมรับเราก็พัฒนาตัวเองได้แต่บางคนเนี่ยขี้เหร่หนามากปิดกัน้นใครตำหนินิดหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟคนก็ไม่บอกบางทีก็ชั่วร้ายเร็วกว่าเดิม เพราะว่าเราสร้างเหตุเอาไว้อันนี้ดูง่ายนะบางคนนี่มีเป็นคนที่จิตใจน้อมรับธรรมะมีพื้นจิตเป็นคนดีเนี่ย mm. ก็จะปาวนาตัวใคนว่าก่าวตักเตือนแล้วไม่ห้อยโกรธพระรุ่นพี่บางทีก็กล้าบอกแต่บางคนที่นิสัยชั่วชั่วช้าเนี่ย mm. เห็นหน้าก็อยากบอกแล้วคือทางธรรมเนี่ยการไม่บอกไม่สอนเนี่ยถือเป็นถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ย ก็พระชนะถูกลงพบประธานเนี่ยพุทธเจ้าก็ก่อนประลุนิพพานก็บอกให้พระเนี่ยลงโทษเพราะพระชนะเป็นคนหัวดื้อคือไม่ให้คบค้าไม่ให้ร่วมกินร่วมกินร่วมอยู่ต่างๆก็แม้คือพิธีสงฆ์ก็ไม่ให้ร่วมไม่ไม่รับปงคอบัดพอตอนหลังพระชนะก็ระลึกได้สำนึกผิดเกิดความร้อนใจว่าเราเนี่ยอัตตาเยอะถือเป็นคนเก่าคนแก่ของพุทธเจ้า รู้สํานึกก็ยอมให้หมู่สงว่าก่าวตักเตือนสงก็เลยเลิกโภ ม, มาทานตอนหลังท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กลับตัวกลับใจได้ก็มีอีกหลายคนที่กลับตัวกลับใจไม่ได้บาทีหาวัดอยู่อย่างยากเลยมาอยู่วัดไหนเขาก็ไล่เพราะว่าเราเป็นคนเลวไม่มีที่ไหนต้องการคนเลวอันนี้ก็ลาบากหน่อยเพราะว่าเราไม่เห็นกิเลสตัวเองแต่ถ้าเห็นแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนคนก็รักอยากให้เราอยู่นี่เรื่องจริงอรั ถ้าเราเป็นคนแบบใจเปิดกว้างก็ยอมให้เพื่อนว่ากล่าวตักเตือนได้ครูบาอาจารย์ติเตียนได้อย่างนั้มาในภาวนาตัวหลวงพอ่อเลยบ่หลวงพอ่อผมเนี่ยให้หลวงพ่อด่าผมได้ทุกเวลา24ชั่วโมงในวัดหลวงพ่อเลยด่าดมาอยู่คนเดียวส่วนมากไม่่อยด่าคนอื่นเพราะว่าหลวงพออ่อมเพื่อนอาวมาด่าดได้อาจารย์ตรงหมีอาจารย์โน้ตอาจารย์ทองศีลอาจารย์ตู้เป็นหลวงพ่อชมแบบชมชนอย่างเดียวเลยอันมาในหลวงพ่อด่างเดียวในวัดทําอะไรผิดก็โดนดา่ทาทั้งที่บางเรื่องก็ไม่ผิด ก็ด <sú him, English man> well ีนะเป็นคนที่หลวงพ่อกล้าด่าอยู่คนเดียวก็ก็เป็นแบบอีกรถอีกทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าบางอย่างปรับปรุงตัวได้เอาอย่างเรื่องง่ายๆอย่างบวดหน้าคเนี่ยหลวงพ่อเน่ยก้าดึงหนังสือสวดมนต์จากมือธรรมาเลยนะไม่ให้สวดไม่ให้การดูหนังสือเ่ะคนอื่นหลวงพ่อไม่ปล่อยหมดเพราะหลวงพ่อมีความเสื่อม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสียใจอย่างคนอื่นเนี่ยหลวงพ่อให้ดูหนังสืออย่างมาเนี่หลวงพ่อดึงอย่างมือเลยนะพระธรรมาปรมนาหลวงพ่อไว้ ดูด่าว่ากล่าวถักเตือนได้ก็เป็นข้อดีทำให้เราพัฒนาตัวเองได้แตถ้าครูบาอาจารย์ว่าเราไม่ได้เนี่ยเราก็เป็นบางทีเราก็เป็นคนที่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งอนาคตรกระบากครกลายเป็นโดนคนรุ่นหลังแซงอีกเพราะฝามรู้เราแป็กอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาแล้วสิ่งคนที่เก่งจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดต้องเรียนรู้ขนขวายไม่หยุดอยุดที่แลวข้อดีหก เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับของรักของชอบใจในที่นี้อาจจะเป็นหมายถึงสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุสิ่งของเ<ๆ>ช่นบางทีเป็นพ่อแม่คนรักลู ก, ลกเพื่อนค น, คนที่เรารู้จักซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ขอไม่เที่ยงลองเตรียมใจไว้เลยแต่ไม่รู้ก็จะตายเมื่อไหร่ จากการเมื่อใดวัตถุก็เหมือนกันไม่มีหลักประกันกมจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์โทรโทรัศน์รถแก้วแหวนเงินทองก็พร้อมที่จะสูญหายพร้อมที่จะไม่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาหรือพร้อมที่จะเจ๊งถ้าเรายอมรับความเป็นจริงเราเห็นมันตายก่อนตายเราก็ไม่ค่คยทุกข์เท่าไหร่ถึงเวลาเสียเสียงจริงก็ไม่เป็นไรใจเราไม่สะเทือนเท่าไหร่ แต่ถ้าเราไม่เตรียมใจไว้เลยนะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรับเต็มๆ เ, เนื้อเนื้อถ้าเราหวังใจให้เป็นยอมรับการสูญเสียแล้วก็เรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจกได้ชั่วข้อนี้ก็จริงเราทาดีเราได้ดีทันทีเลยทำชั่วก็ชั่วทันทีแต่ถ้าเราไปมองอีกมุมหนึง่งว่าหวังผลตอนชาติหน้าเนี่ยนี่ช้าไปไม่ทันการทาดีเนี่ยจิตที่เป็นกุศล ถ้าเราคิดช่วยคนแบ่งปันความสุขให้คนอื่นเราก็ได้บุญเดี๋ยวนั้นเลยบุญคือความสุขคือความยินดีความพอใจคือเป็นสวรรค์ในการทาหน้าที่ถ้าราวางใจเป็นในขณะทำงานเราก็ได้บุญตลอดเวลาแต่ถ้าวางไม่ใจไม่เป็นก็ไม่ได้บุญอะถึงได้ก็ได้น้อยกระพองกระแพงวางใจเป็นทำโดยไม่หวังผลตอบแทนทำงานเพื่องาน เราไม่สนใจว่าเราจะได้สิ่งตอบแทนหรือไม่ใครจะชมเราหรือเปล่าแต่คนเรามีจุดอ่อนนะถ้าบางคนเใจน้อยพอไม่ชมก็เลิกทํางานล้มเหลวเลยเพราะว่าหัวใจไปได้เสริมใยเหล็กพอพอคนมาว่าเราคำสองคำเราก็เลิกทําแล้วาอที่ทําให้งานเสียหายคนที่กลาวตอบไปแล้วหน้าได้จะต้องไม่หวั่นไหวต่อคาติฉินอินทาไม่หวั่นไหวในโลกกรรมคืออยู่กับโลกธรรมได้โดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อน ถึงเวลามีลาคือมีลาบก็พร้อมที่จะเสื่อมลาบมียศก็พร้อมที่จะเสื่อมยศมีสุขก็มีทุกมีสารเสริยก็มีนิทาลกกระทามก็เป็นแบบเนี้ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยตั้งแต่อดีก จ, จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตนะเปลี่ยนของเต้เปลี่ยนภาพอาขศัตริย์องค์แล้วองค์เล่าไม่มีใครครองลาดได้นานหรือเศรษฐีที่ร่ํารวย ว่เดี๋ยวตายสมบัติก็เปลี่ยนมือเปของลูกหลานบางทีก็เปลี่ยนไปนของคนอื่นหรือแม้แต่ตําแหน่งทางการเมืองต่างๆประธานที่พดีนายกก็ต้องเปลี่ยนมือตลอดไอ้ช่วงที่มียศแล้วมีผลประโยชน์คนอื่นคนก็มาสรรเสริญยกย่องประจบสอบพอแต่ตอนเราเสื่อมยศเนี่ยเราสิ้นผลประโยชน์แล้วคนก็เมินแล้วตอนนี้คนก็ไม่รู้จักแล้ะเห็นหน้าก็ไม่อยากเข้ า, ายกมือไหว้ซ้ําเพราะคนเราเนี่ย ส่วนมากก็หวางผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพอสิ้นผลประโยชน์ก็หมดค่าหมดคุณค่าแล้วโลกความจริงเป็นอย่างนี้ระ้วหวังจให้เป็นเกี่ยวเรื่องโลกธรรมแล้วความทุกข์กับความสุขก็อยู่ใกล้กันแ่ะถ้าเราเราเวลามีความสุขขึ้นมาเราจะดีมากเวลาเกิดความทุกข์เราก็จะทุกข์มากเหมือนกันเหมือนหัวงูกับหางงูคือตัวเดียวกันแล้วคนเรื่องดินทากระสารเสริญนี่ก็มีอยู่คู่โลกเวลาแล้วผู้โ ด, ดยเจ้าก็โดนดินทาเลยคนไม่โดนดินทาไม่มีในโลก อย่างกอสศนทรพผู้แต่งไว้อันดินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชกช้ำเหมือนรอยมีดที่กีดหินแม้องค์ปฏิมายังลาคินคนเดินดีหรือยะสิ้นคำดินทาสุดแล้วคนไม่โดนดินทาไม่มีโลกอยู่เฉยๆเขาก็ดินทาคนเป็นหาเลือกดินทาแล้วก็รับกรรมทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วทำกรรมชั่วนี่ก็ชั่วเลยนะไม่ใช่ไปชั่วชาติหน้า คือทำชั่วรูปจิตก็ตกจิตเบกุศนจิตอกุสนเนี่ยเปียบเหมือนก้อนหินจิตที่เป็นกุศนเปรียบเบือนเรือเรือเนี่ยสามารถรับก้อนหินกิตเป็นได้มากมายมหาศาลเลยจิตที่เป็นบุญเนี่ยจะโปร่งเบาสบายมีความสุขแต่จิตที่เปียอกุศลเนี่ยจะหนักไม่เชื่อพวกพวกโยมลองโกรธใครก็ได้ลองโกรธดูอะลองโกรธดูเราจะเห็นความเครียดแค้นชิงชังพยาบาทต่างๆเนี่ย หรือความโลภสุดก็ล่ะอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นจิตอกุศลทันทีแล้วลจิตอยากพวกนี้ทําให้จิตหนักปฏิบัติทรรมก็ยากแต่ถ้าเป็นอารมณ์บุญเนี่ยปฏิบัติธรรมจะง่ายช่วยคนอื่นเห็นคนอืนยิ้มกับเราเราก็ยิ้มมีความสุขเนี่ยช่วยฝาดเป็ไม้เก็บขยะอันนี้ได้บุญแล้วแต่บางคนไม่รู้ก็เห็นวัดมาวัดก็เอาขยะมาทิ้งเยอะแยะทิ้งนู่นทิ้งนีงงงพ่พวกนี้ก็ทําบาปแบบไม่รู้ตัวถ้าผลกรรมให้ผลเนี่ย ก็ได้มาอยู่ในที่ซกมกสกมกสกโปกสกโ ป, ปกแต่คนที่ชอบทำสะอาดเนี่ยก็อยู่ที่เจริญหูเจริญตาเดี๋ยวกรรมให้จัดสรรให้เรื่องพวกนี้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วก็ข้อที่แปดวันคือล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่ถ้าเราสังเกตดีๆนะเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยเดี๋ยวผ้าที่ก็ตกดินแล้วเดี๋ยวก็โผล่มาวันใหม่อีกละบางคนเนี่ยไม่มีพรุ่งนี้ด้วยซ้ํา คือดิณนอนตายไปก็มีคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชั้นหน้าไหนจะมาก่อนท่านหลอเราอย่าประมาทความตายมาได้ทุกวันทุกเวลาอย่างสวนโมญเนี่ยมีบทหนึ่งธรรมาชอบคือบทป ร, ประชิมพระโอวาทเนี่ยเมื่อก่อนเรามาอยู่สวนโมกเนี่ยจะเน้นบทนี้พิเศษเลยเพราะสวนโมกเนี่ยจะสวดบทเนี้ปิดท้ายทุกงานธรรมบัติเช้าธมัตเย็นขึ้นลงฉันปิดงานนะ บ, บทประชิมเนี่ยคือพระบุตรเจ้าเนี่ยพระองค์บาริสธิพาแล้วก็บอกให้ พิสูจน์ว่หลายจงทำฟาร์มไม่อมากให้ถึงพร้อมเถิดคือไม่ให้ประมาทคือพระองค์เนี่ยพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกขนาดพระบอกว่าเป็นบิณฑบาตก็พิจารณาความตายหรือฉันอาหารก็พิจารณาเวลาตักอาหารเข้าปากที ก, ก็พิจารณาทีพระองค์ยังบอกว่าประมาทเลยพระทุกองบอกว่าพระองค์เนี่ยพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกอย่างธรรมาก็ประมาทประมาทมากเลย ขนาดองค์ไดลามะเนี่ยพินาความตายเวลาห้ารอบพระองค์ว่าประมาทนะองค์ไดลามะพูดเองบอกตัวท่านเองก็ยังประมาทอยู่เลยพัดพังไปแย่แน่เลยเกิดความตายมาถึงแม่มาทผู้โยบก็ต้องปฏิบัติทำเจริญสติแล้วก็ทำความดีไว้มากๆไว้ก่อนเอาเตรียมทุนปเป็นเสบียงอย่างน้อยๆถ้าเราไม่บรรลุพระโพธิพานธ์เราก็ไปสู่สุคติได้ไปสูจน์ที่ดีๆ ได้ปฏิบัติธรรมต่อแต่เราประมาทเราไปคบคนพาลเราไม่ปฏิบัติธรรมหลงไหลอวัยมุกต่างๆเนี่ยเราก็ดึงไปหาบายพบกภูมิที่ไม่เจริญโอกาสจะกลับมาก็ยากวาันคิดล่วงไปก็อาอยุเราไปด้วยชีวิตขอเราเดียเฉลี่ยประมาณเจดสบห้าปีโดยประมาณนะเจดสิห้าปีถ้านับเป็นวันเนี่ยก็ได้มาน่าสองหมื่นเจ็ดพันกว่าวันซึ่งไม่เยอะนะถ้านับเป็นเดือนก็ประมา ก้าเก้าร้อยเดือนก็ไม่เยอะเฉลี่ยแล้วถ้านับเป็นปีอาจจะนานดูเหมือนนานแต่ไม่นานหักลบเวลาพักผ่อนลงไปอีกเหลือครึ่งเดียวเองเหลือชีวิตใช้ชีวิตจริงหมื่นกว่วันนั้นเองแล้วสังเกตนะเดี๋ยวเราก็ผมงอกตีนกาขึ้นผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวลงเลี้ยวแรงลดน้อยถ้าอายุสี่สี่สิบขึ้นไปจะเห็นชัดถ้าหนุ่มๆนุมยสิบกว่าสาสิจะเห็นไม่ค่อยชัด ตาได้เคยมองเห็นไกลชักเห็นไม่ค่อยเห็นแล้วเห็นลางๆหูชักไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่สังขารเราจะเสื่อมไปเรื่อยธรรมชาติเอาคืนเราเวาลาหน่อยเวาลาหน่อยแต่บางคนก็โดนเอาหนักเลยเห็นชัดก็มีเจอบัติเหตุหรือบางคนเนี่ร่างกายป่วยเป็นโรคก็จะเห็นเร็วเราก็อย่าประมาทก็แล้วกันเรายญาติที่สงัดหรือไม่ยาตสที่สงัดไม่ถือว่าอยู่คนเดียวได้เป็นมิตรกับตัวเองได้ เพราะการที่เราอยู่กับหลายคนเนี่ยถ้าระวังใจไม่เป็นเนี่ยก็ชีวิตก็วุ่นวายเหมือนกันอยู่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้เนี่ยพึ่งตัวเองได้จะได้เปรียบเพราะบางคนเนี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้เลยถึงเวลาเขต้องไปคุยกับเพื่อนหาเพื่อนคุยเพราะอยู่คนเดียวจะเหงาว้าเวรู้สึกทุกข์มากจากระบายความในใจเรามองดูแล้วไม่ใครพึ่งได้หรอกไม่ได้สามีภรรยาครูบาอาจารย์ เรากะพึ่งตัวเองเราละมีเป็นมิกฉาตัวเองให้ได้คนที่เป็นมิกัาตัวเองได้เนี่ยถึงจะมีที่พึ่งเราอยู่คนเดียวได้เราไม่เราไม่สนใจลาศักดะเสเสียงสารเสือเ ย, ย็นยอไม่ดินน้นรนคนที่ดิ้นรนเนี่ยจะไม่มีความสุขหลอชีวิตก็ต้องดิ้นไปละต่อชาติอะ่ะยีดีที่สังกัดอยู่คนเดียวได้อยู่ตรงป่าช้าก็ได้อยู่คนไม้ก็ได้ อยู่กับหมู่คณะก็ได้อยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่ไม่เป็นอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนพอเราเสพวัตถุต่างๆมา ค, คุยโทรศัพท์ทั้งวันว้าเวโทรไปคุยคนโน้นคนนี้หรือไม่เราต้องหาหนังมาดูทั้งวันฟังวิทียุเพื่อจิตมีเครื่องอยู่อันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวต้องเสพอารมณ์ตลอดเพราะฉะนั้นข้อ น, นี้ก็อยู่คนเดียวคือเป็นมิกับตัวเองให้ได้ข้อที่สิบเวลาเพื่อน กัญญามิษถามเราว่าเรารู้ทํามไหมเพื่อจะไม่ให้เป็นผู้เก้อเขินทําในที่นี้ไม่ได้หมายถึงต้องบรรลุธรรมนะหมายถึงเรารู้เรื่องธรรมะหมายเวลาคุยกันมีปัญญาแค่ไหนพ่อทีเนี่ยพาบวชมาเนี่ยถ้าบวชหลายหลายภาษาเนี่ยเวลาเขาคุยธรรมะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนี่เพื่อกตํัญญีล้ะบอกว่าคุณทําอะไรอยู่สวดมนต์ก็ไม่เป็นธรรมะก็ไม่ไม่กระดิกเลยเราเสียเวลาเปล่าเรากินข้าวโยมแต่ถ้าเราคุยแล้วธรรมะแตกฉาน รู้เรื่องทุกเรื่องดับทุกรู้เรื่องสติประธานรู้เรื่องรู้เรื่องนี้ที่เป็นประโยชน์สามารถชี้แนะคนได้เป็นการมิตรให้คนอื่นได้ช่วยผู้คนอื่นได้อันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องมีทะพพระบทภาษามากๆนะแต่ให้ดีกว่านั้นอีกก็คือมีสภาวะธรรมรองรับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆยี่บางคนมีชงมีชานหรือมีสมาธิ มีความรู้สึกตัวอันนั้นยิ่งดีใหญ่เลยจะได้ไม่เก้อเขินถือบวชมาคุ้มค่านี่คือทําอำทําที่บําชิก ค, ควรพี่นางเนืองสิบอย่างซึ่งวัดนี้อาตมาก็มองไม่มีใครไม่มีใครม า, มาพูดแบบอาตมาพูดหรอกเพราะว่าเขาก็พูดเรื่องอื่นกันพูดเรื่องรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเบียดอาตมาคนเดียวแหละที่ชอบพูดเรื่องพวกนี้พูดเรื่องที่คนเขาไม่พูดกันเพราเห็นว่าเกิดประโยชน์ไะพูดเรื่องไม่ประมาท แล้วก็พูดเรื่องบุญแล้วความตายแล้วก็เรื่องวางใจให้เป็นเพราะถ้าคนเราแต่ถ้าวางใจให้เป็นเนี่ยเราจะตงทุกข์มหาศาลเลยบางทีทุกข์จากการเปรียบเทียบนคนอื่นคนอื่นมีของมากกว่าเราเราไม่มีเราอยากได้ของคนอื่นเราก็ต้องดิ้นรนละเพราะคนเราสร้างเหตุไม่เหมือนกันบุญบารามีไม่เหมือนกันแล้วควรพอใจสิ่งทีเรามีอยู่ถ้าเราไปเที่ยวคนที่มีมากกว่าเราก็ทุกข์ละเพราะเราไม่มีเหมือนเขา ทระวางใจเป็นเรายินดีสิ่งที่เรามีพอใจสิ่งที่เราได้ชีวิตเราก็สุขได้ไม่ตกเป็นทาสของความอยากวัตถุสิ่งของเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีไม่เป็นอะไรจะตกเป็นทาสกับมันทันทีเลยมันจะเป็นนายของเราทันทีแม้แม้แต่เป็นเงินเนี่ยเงินเนี่ยถ้าคนคนคนเนี่ยไม่รู้จักใช้เนี่ยก็จะนับนั บ, นบตัวเองก็นับทั้งวันแหละนับแบงค์พันแบงค์ห้รอย่างมีความสุขแต่ขอโทษใช้ไม่เป็นหรอกมีบุญแค่นับเฉยแล้วก็เป็นทาสของมันด้วยต้องหาตลอดชาติ ไม่สามารถเป็นนายมันได้เลยเราไม่สามารถเอาเงินไปสร้างประโยชน์แก่ตัวเองแก่คนอื่นได้เลยแต่ถ้าคนไม่ตกเป็นทาสเนี่ยเราสามารถใช้เงินเนี่ยช่วยทําประโยชน์ได้มากไม่เป็นทาสของวัตถุสิ่งของอันนี้ไม่ใช่แค่เงินนะททุกกถ้าทุกอย่างเลยนะถ้าเราเราเราเรานทําใจไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นทาสของมันแล้วมันก็จะเป็นนายของเราวงการชีวิตเราเมื่อจะเป็นบุหรี่เหล้าการพนัน สิ่งเสียบทีทุกชนิดมันจะขี่คอเราตลอดชีวิตแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็จะเป็นนายของมันไม่ตกเป็นทาสของมันเอาชนะมันได้อยู่มันไม่ใช่เรื่องยากกับอยู่ที่ใจเราถ้าหัวใจเราเข้มแข็งพอเราก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งพวกนี้เป็นอิสระคนเป็นอิสระมีความสุขม า, ากกว่าคนตกเป็นทาสตกเป็นทาสเนไม่อิสระพอถึงเวลาเนี่ยก็ต้องดูดบุหรี่แล้ว ไม่ดูดก็ไม่ดูดก็อยากบาีถึงเวลาก็บาคนการพนันถึงเวลาก็อยากไปแทงบอลต้องสืบแล้วทีมนี้จะแพ้จะชนะต้องหาข้อมูลต่างๆบางคนเล่นมวยก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วมวยตัวนี้มาช่างน้ําหนักกี่โลซ้อมมาดีไหมแล้วก็ชีวิตจะเสียเวลาทั้งวันบางทีคนนักพนันซึ่งชีวิตไม่จเจริญเนี่ยตกต่ําลงไปเรื่อยๆแต่พวกเรามาวัดเนี่ยแล้วอันมาถือว่าไม่ประมาท ได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมถือวเป็นคนมีบุญมาก่อนคือสร้างเหตุไว้ดีบางคนมาจากเมืองจีนถึงมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาถือว่ามีปัญญาได้มาปฏิบัติธรรมแนวหลวงว่ดเทียนบางคนอยู่ใกล้วัดยังไม่ปฏิบัติธรรมเลยบาที่ใกล้เกลือกินด่างก็มีบาที่คนใกล้วัดเนี่ยเกียรติธรรมากก็มีคนไกลๆถึงมาหาประโยชน์จากวัด หาความรู้บางคนข้ามนาข้ามทเลยมาอย่ากพักฝรั่งพรกญี่ปุ่นพรักจีนเนี่ยมาเจอสติแนวเคลื่อนไหวได้ไประโยชน์กันมากมายการเจริญสติแนวหลวงวเทียเนี่ยทําให้จิตตื่นตัวถ้าทำไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยความคิดจะช้าลงจะท้ายมองเห็นความคิดได้เพราะธรรมดาแล้วความคิดมันทางานไวมากเลยจนเอาจนเราไม่รู้ว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งมันจะเป็นสิ่งเดียวกว่าร่างกายเรา อยากไม่ออกอ่ะถ้าการเคลื่อนมือเนี่ยมันใช้ความคิดทํางานไม่ถนัดความพิดจช้าลงช้าลงแล้วมันก็จะเผยโฉมออมาเราเคยทํากรรมอะไรไว้เคยทําอะไรไว้มันจะค่อยโชว์ตัวถ้าเราได้เรียนรู้รู้จักมันคือทําให้กลัวกรรมเลยบางคนเนี่ยเคยทําบาปทําไม่ดีไว้เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไว้เคยโกงไว้เคยทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยมันจะเฉลย ห, หมดบางทีคิดอย่มาหุ่นหัวลุกเลย คือนี่กรรมสัมผัสจากใจจริงแต่ถ้าคนไม่เคยสัมผัสตัวนี้นะก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรเท่าไหร่รเผอเข้าข้างกิเลสด้วยบอกเวรกรรมไม่มีจริงตายแล้วศูนย์ก็มีพวกนี้มันมันมัมนส ะ, สะสมอยู่ในใต้จิตสำนึกถ้าคนไม่ฝึกไม่เจริญสติมันจะออกมาตอนตายถึงตอนตายเลยควบคุมไม่ได้เลยตอนตายนี่ก็ต้องตามริฐากรรมแล้วใครทํากรรมอะไรไว้ มันก็จะผูกตอนนั้นแล้วพาเราไปเช่าใช้เรามาเจอสติเนี่ยเรามีโอกาสได้ล้างกรรมมีโอกาสได้พัฒนาตนเองออกจากกรรมนั้นได้บานทีก็ทำกรรมหนักห้กรรมเบาอธิมาขอดูโมน า, น, านากับพวกโยมทุกคนแหละตั้งพาร่างโยมที่มาเจริญสติวัดเราก็ส่งเสริมเพราะการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นธรรมะที่รัดสั้นและตรงที่สุดและสะดวกทําง่ายตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ ล้างหน้ารู้สึกตัวแปลงฟันรู้สึกตัวขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวอาบน้ํารู้สึกตัวทํางานต่างๆฝาดบ้านถูบ้านรู้สึกตัวเดินไปไหนมาไห น, ไหนรู้สึกตัวการรู้สึกตัวไม่ได้อยู่ในท่าในฐานปฏิบัตินะนอกฐานเราก็ต้องต้องรู้สึกตัวเหมือนกันเพราะถ้าอยู่ในฐานนี่ทําได้ไม่เคยเยอะหรอก เราบางทีเราท้องทำงานอย่างอื่นงานที่เกี่ยวกับฐานกายสามารถรู้จิตสติได้รู้สึกตัวได้แต่ถ้าเป็นงานที่ใช้สมองเนี่ยจะทำยากหน่อยเราสามารถตักตัวความรู้สึกตัวได้ทั้งวันนั่งรถเมยไปหรือล่างรถคึ้งนิ้วรู้สึกตัวเผลอไปปรุงแต่งรู้สึกตัวอ้าวเผลอไปแล้วเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอไปแล้วเนี่ยคือรู้สึกตัวหนึ่งครั้ง แต่ถ้าไม่รู้ตัวเองเผลอก็คือไม่รู้สึกตัวหลงคือธรรมะจริงแล้วมีแค่รู้ก็หลงเลยสองอย่างคือถ้าเรารู้ก็คือไม่หลงถ้าหลงก็คือไม่รู้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่บังทีคนพูดพูดได้เป็นทําให้ซับซ้อนคนเข้าใจกันผิดคิดว่าธรรมะซับซ้อนคือมีรู้ก็หลงเหมือนกมีเก้าอี้ยู่ตัวหนึ่งควารมรู้กับควารมหลงมามาแย่งกันนั่งถ้าเราชอบควารมหลงควารมหลงก็นั่งควารมรู้ก็ไม่มา แต่ถ้าเรารู้สึกตัวความหลงก็ออกไปพอเราหลงเดี๋ยวความเดี๋ยวตัวพอเราหลงความหลงก็มานั่งใหม่มีอยู่แค่นั้นแหละวันวันหนึ่งก็แต่ตัวหลงมันจะนั่งมากกว่านะเพราเขายึดร่างกายยึดจิตละมานาหแล้วถ้าเราเราอยากจะหลุดจากความหลงเราก็ต้องทำความเพียรเรื่อยๆทํความเพียรไปตลอดชีวิตอย่าหวังว่าจะได้บรรลุธรรมเมื่อไหร่ทำเท่าที่เราทําได้จนนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วก็ง่ายสมัยพุทธกาลมีพมระบรรลุธรรม ฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็บรูธ้ธรรมได้เลยอย่างพระพิยยะแต่ที่จริงถ้าเราไปยอดด้อนดูดิชาติของพระพิยะเนี่ยท่านบําเพ็ญจนตายตายบนยอดเขาเลยนะอดอาหารตายเพราะคนอื่นบรรลุธรรมกันหมดท่านไม่บรรลุท่านอดอาหารตายทําบําเพ็ญระดัะะบนั้นเลยนะทําให้มีนิสยัยพอมาฟังมาเจอพุทธเจ้าเนี่ยสามารถฟังธรรมปั๊บเดีย บ, บรลุเลยเกลือสร้างเหตุเอาไว้สร้างนิสัยเอาไว้ใอ้พวกเราต้องสร้างนิสัยเอาไว้ไม่ประมาท เพื่อเป็นทุนภาย้าคหน้าอันมาเห็นว่าแสดงธรรมพูดธรรมะสัพเพละหลายเรื่องเลยเนี่ยหเห็นสมควรกับเวลาก็ขอจบลงแค่นี้เดี๋ยวขอท่องกริยโยมฟังกนหนึ่งกนเป็นมนุษย์หรือเป็นคนของหลวงพ่อพุทธธาสเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างมโนสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษษาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเป็นปีดาคืนวันสุขสรรจริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเล่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง พอพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวบายคิดดูเถอะถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยจบแค่นี้